เรื่องนักเลงหญิง300สมัยนั้นพวกนักเลงจํานวนมากพากันไปเที่ยวรื่นเริงในอุทยานส่งชายสื่อไปสํานักหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งด้วยสั่งว่าเชิญนางมาเถิดพวกเราจะไปเที่ยวรื่นเลิงในอุทยานด้วยกันหญิงแพทย์สยาตอบว่านายจ๋าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใคร อีกประการหนึ่งดิฉันมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องประดับมากถ้าจะต้องออกไปนอกเมืองดิฉันไม่ไปครั้นแล้วชายสื่อแจ้งเรื่องนั้นให้พวกนักเลงทราบเมื่อชายสื่อพูดอย่างนั้นชายอีกคนหนึ่งบอกพวกนักเลงว่าพวกท่านไปอ้อนวอนหญิงแพทย์ยาทำไมควรบอกพระโอทายีไม่ดีกว่าหรือท่านจะส่งนางมาให้พวกเราเองเมื่อเขาพูดอย่างนั้น อุบาสกคนหนึ่งพูดแย้งว่าคุณอย่าพูดอย่างนั้นการทำอย่างนั้นไม่เหมาะแก่พระสมณะเชื้อสายสักยบุตรพระคุณเจ้าอุทายีจะไม่ทำเช่นนั้นเมื่ออุบาสกพูดอย่างนั้นพวกนักเลงจึงพนันกันว่าพระคุณเจ้าอุทายีจะทำหรือไม่ทำนักเลงเหล่านั้นเข้าไปหาพระอุทายีถึงที่อยู่แล้วกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพวกกระผมเข้าไปเที่ยวเรื่องเลงในอุทยาน ส่งชายสื่อไปหาหญิงแพทย์สยาชื่อโน้นว่าขอให้นางมาพวกเราจะเที่ยวรื่นเริงในอุทยานนางตอบว่านายจ๋าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งดิฉันมีเครื่องประดับมากถ้าต้องออกไปข้างนอกดิฉันไม่ไปขอพระคุณเจ้าโปรดส่งหญิงแพทย์ยาคนนั้นมาให้พวกกระผมด้วยเถิดลำดับนั้น พระอุทายีเข้าไปหาหญิงแพทย์สยาถึงที่อยู่ถามว่าทำไมเธอไม่ไปหาคนพวกนั้นเล่านางตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าคนพวกนี้เป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งดิฉันมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องประดับมากถ้าจะต้องออกไปนอกเมืองดิฉันไม่ไปเจ้าค่ะเธอไปหาคนพวกนี้เถิดอัตมารู้จักพวกเขาดีถ้าพระคุณเจ้ารู้จัก ดิฉันก็จะไปเจ้าค่ะลําดับนั้นพวกนางเลงพาหญิงแพทย์ยาคนนั้นไปเที่ยวในอุทยานต่อมาอุบาสกตําหนีประนามโพลธนาว่าฉนัยพระอุทายีจึงชักสื่อให้อยู่ร่วมกันในชั่วคราวเล่าพวกพิสูจน์ได้ยินอุบาสกตําหนิประนามโพนธนาบรรดาพิสูจน์ผู้มากน้อยจึงพากานันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยท่านพระอุทายี